มีเครื่องทุนแรงแเครื่องช่วยผ่อนเวลาและแถมยังมีสิ่งบันเทิงเรองร ộ มากมายอย่าง น, นี้ความบันเทิงเรืองร ộ นนี่มันซึมซ้ำแพร่ไปทุก อ, อนูเลยนะมันมาในรูปของสัญญาณนะสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตอยากจะฟังเพลงที่ไหนดูหนังเรื่องอะไร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 สุขภาพร่างกา ย, เ, ยเจ็บป่วยเพราะความเครียดนี่เดี๋ยวนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆมีคนเขาการทำวิจัยพบว่าโรคภัยเคยเจ็บที่พาคนไปหาหมอเนะอันนี้ไม่นับที่อยู่บ้านนะไอ้ประเภทว่าที่ทำให้คนเนี่ยต้องไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยหสิบถึงเจ็ด้าเปอร์เซนตเนี่ยนะมันเกี่ยวบความเครียด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 คนป่วยเขาก็มีอาการเช่นลมชักบ้างละอัมพาตบ้างละตาบอดบ้างละหรือว่ามีอาการใจสั่นหน้ามืดความดันขึ้นหรือปวดนะปวดปวดหัวปวดท้องยืดเยือย้อเรื้อลังแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบมันก็ไม่น่าเชื่อรับตาบอดแต่ว่าไม่รู้ว่ามันผิดปกติทางกายที่ไหนหรืออัมพาตเนี่ย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 เพราะว่าบางคนถึงแม้ว่าไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่นั่นก็ไม่ไดแปลว่าจะาชีวิตจะปลอดภัยนะถา้าปล่อยให้มีความเครียดมาสะสมมากๆทีจริงคนเราพอเครียดแล้วเนี่ยมันก็มักจะซ้ํ า, าเติมตัวเองนะแล้วก็ซ้ําเติมตัวเองวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปหาเหล้าหาบุหรี่หายาเสพติดเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เกิดจากความเครียดทั้งนั้นแหละคนธรรมดาก็ไม่คงอยากไม่คงไม่อยากจะเข้าไปหา เราบริยาเสศติดนะถ้ามันไม่มีความเครียดเป็นตัวผลักดันมันก็กเท่ากับว่าซ้ําเติมตัวเองหนักเข้าไปใหญ่แต่ในระยะหลังก็พบว่าความเครียดนี่มันไม่ใช่ว่าเลวไปหมดนะมันก็มีความเครียดที่ที่ดีเหมือนกันถ้าเป็นความเครียดพอประมาณเนหะมืนกัที่เขาพบว่าคอเลสเตรอรอลเนี่ยนะที่ดีก็มีที่เลวก็มีนะคอเลสเตรอรอลที่เลวก็ทําให้เป็นโรคหัวใจ ได้ง่ายไอ้ความเครียดที่ดีก็มีนะคือถ้ามันเครียดพอประมาณอย่างเช่นข้าพเจ้าเนี่ยถ้าเครียดพอประมาณนี่ก็ทําให้การเรียนร่วงคนเราดีขึ้นนะอันนี้ก็เห็นได้ไม่ยากนะเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าไม่มีการบ้านเรียนแบบสบายๆนะครูก็ไม่ซักถามอะไรนะครูก็บรรยายอย่างเดียวไม่ซักถามไม่ให้การบ้าน ไม่ให้ทํารายงานและรายงานที่ถ้ามันง่ายๆเนี่ยการเรียนรู้ก็ตกเป็นไปได้เชื่องา้าๆนะแต่ถ้ามีการบ้านนะมีรายงานยากๆบางทีครูก็ซักถามครูให้แสดงความคิดเห็นไอ้นี่มันทําให้เกิดความเครียดนะแก่ผู้เรียนแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่ดีเพราะว่ามันทําให้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เขาเพราะว่าเนี่ย เวลาทํางานเนี่ยถ้ามันมีความเครียดอยู่บ้างหรือพอประมาณเช่นมีการแข่งขันนะมีเส้นตายก็จะทํางานได้ดีเลยเนะอันนี้ก็เห็นได้งานนะให้งานไปไม่มีเส้นตายนี่ไม่มีการซักถามไม่มีการทวงถามหรือไม่มีการแข่งขันเนี่ย้ส่วนใหญ่งานออกมาไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เพอเพอไม่เสร็จด้วยให้การแข่งขันหรือว่าเส้นตายมันก็ทําให้คนเกิดความเครียดนะ แต่ว่ามันเป็นความเครียดในระดับพอประมาณก็ทำให้ผลงานออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่ไม่มีความเครียดเจยเลยหรือว่าดีกว่ามีความเครียดหนักๆเยอะๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็พบว่าความเครียดเนี่ยนะมัญสิ่งสำคัญม่ใชที่ว่าเครียดระดับไหนสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเรามองความเครียดอย่างไร อันนี้มันเป็นเป็นข้อสรุปนะทีะ่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้นะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ที่ว่าเครียด ร, ระดับไหนจะเครียดสูงก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อความเครียดหรือมองมันในมุมบวกไอ้ความเครียดนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้แล้วที่มันน่าสนใจคือว่า ทัศนคติของเราต่อความเครียดเนี่ยมันส่งผลต่อปฏิกิริยาในร่างกายนะหมายความว่าถ้าเรามองว่าความเครียดเนี่ยที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของดีมีประโยชน์ร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาแตกต่างกับเวลาเรามองว่าความเครียดนี่โอ้มันแย่เหลือเกินนะมันน่ากลัวมากหรือมันกดดันเหลือเกินเนี่ยอันนี้ร่างกายเราก็จะมีปฏิกริริยาอีกแบบนึง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 เห็นอะไรชัดเจนขึ้นในภาพรวมนะแต่ไม่ใช่ในรายละเอียดนะเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเนี่ยถ้าคนเราเครียดแล้วหัวใจเต้นเร็วนี่การไอสายตานี่มันจะดีมากซึ่งก็มีเหตุผลนะเพราะว่าถ้าจะหนูถ้าจะหนีหรือสู้เนี่ยมันต้องมันก็ต้องมีสายตาที่ที่ที่ละเอียดพวกนักมวยเนี่ยนะเวลาชกมวยบางคนนี่ตาไวมากนอย่างมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตาเขาไวมากเลยใครจะ ครจะชกนะใส่หน้าเขาที่เขาแค่ถอยหลังหรือว่าเอาหัวหลบไปทางข้างหลังแค่นั้นแหละไม่ใช่หัวหลบไปทางซ้ายขวานะเขาเพียงแค่เอาหัวเนี่ยแค่เอ็นเอ็นหัวไปข้างหลังเนี่ยก็หลบได้แล้วอันนี้มันก็อธิบายได้นะจากการทํางานของร่างกายแต่คราวนี้ที่เขาพบก็คือว่าถ้าเกิด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 ถ้าอยู่บนที่สูงนะ่ะกลัวนะแต่ว่าถ้าจะให้อยู่ในป่าที่เต็ไมไปด้วยงูนะไม่มีความเครียดใดๆเกิดขึ้นเลยบางคนแค่อยู่ในห้องสอมนี้ก็เครียดละแต่เวลาพูดในที่ชุมชนนี่เฉยมากเลยเนี่ยนะอันนี้คนเรามันจะมีความรู้สึกเครียดต่อเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกัน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 ฮอร์โมหรือการทํางานของภูมิคุ้นในร่างกายก็ออกมาอีกแบบนึงเออ น, นี้เป็นเรื่องแปลกมากนะเพราะว่ามันชื่อเห็นว่าทัศนคติเฉียงคนเรามุมมองคนเราเนี่ยมันมีผลไปถึงการทํางานของร่างกายเลยนะแล้วคนนี้ก็พบว่ามันไม่ใช่ไอ้มุมมองของเราต่อความเครียดมันไม่ได้มีผลต่อร่างกายในลักษณะที่มีปริจิรกียรแตกต่างกันเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีผลต่อการทํางานด้วย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 นะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องไม่ได้ดูอะไรเลยนะและหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็พบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยที่ดูวิดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ของความเครียดมันมียังไงบ้างเนี่ยพบว่ามีการจดจ่อในการทำงานมากขึ้นมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ผลงานก็ดีกว่านะดีกว่าอีก2กลุ่มที่เหลือซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลย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 ลองสอบซ้อมดูสอบทดลองสอบดูเอาข้อสอบที่มีที่เคยมีเอามาสอบปรากฏว่าไอ้กลุ่มแรกเนี่ยที่ดูได้รับคำคาแนะนำว่าความเครียดมันดีเนี่ยนะปรากฏว่าทำคะแนนได้ดีนะได้ดีกว่ากลุ่มที่สองทั้งนั้นที่ความเครียดเหมือนกันนะคือเขารู้เพราะเอาน้าลายเนี่ยเอาน้าลายของนักศึกษาในสองกลุ่มเนี่ยมาในน้ำลายที่มันมีคอมนเครียดอยู่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 นักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะเขาไปไปศึกษาผลการสำรวจทั้งประเทศนะเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วปีสีหนึ่งปี4ีหนึ่งก็คือสิบเจ็ดปีที่แล้วเขาสอบถามคนสามหมื่นคนเกี่ยวกับความเครียดในปีที่ผ่านมาว่าเครียดมากเครียดน้อย แล้วก็ถามอีกได้ว่ารู้สึกกับความเครียดยังไงนะบางคนก็บอกวความเครียดเนี่ยมันแย่เหลือเกินมันไม่ดีแต่บางก็บอกวความเครียดมันก็ดีนะอันนี้เขาให้เขาให้ให้คงเป็นการติ๊คนนะนะว่าอ่าเป็นแสดงความเห็นทางเรียกว่าปรนัยนะว่ารู้สึกต่อความเครียดอย่างไรเสร็จแล้วเข้ามาเปรียบเทียบกับก็กืบสืบต่อไปว่า คนเหล่านี้มีใครที่ตายไปแล้วบ้างนะหลังจากผ่านไปสิบกว่าปีก็พบ ว, ว่าคนคนที่เครียดต้องมากแล้วก็มีความรู้สึกไม่ดีต่อความเครียดเชื่อว่าความเครียดมันบั่นทอนร่างกายเนี่ยตายก่อนวัยอันควรเร็วกว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยนประมาณสี่กว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะ สี่สิบเอร์เซ็นเนี่ยนะขณะที่คนที่บอกว่าเครียดมากแต่ว่ารู้สึกว่าความเครียดมันมีประโยชน์เนี่ยปบอกว่าการตายก่อนไวั์แอนโคลเนี่ยยังน้อยกว่าคนที่บอกว่าเครียดน้อยนะแต่ว่ารู้สึกไม่ดีความเครียดเอนที้มาแสดงเห็นล้วนะว่าจะเครียดมากเครียดน้อยเนี่ยไม่สําคัญสิ่งสําคัญอยู่ตรงที่ว่า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 ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนบางคนอาหารไม่ย่อยเลยนะเพราะมีความโกรธนะบางคนก็มีปัญหาตรงโน้นตรงนี้นะเพราะความวิตกกังวลถึงตายก็มีอันนี้เรารู้มามานานแล้วฝรันะ่งก็ยอมรับนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับมากขึ้นว่าอารมณ์เนี่ย ม, มันสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายแต่ที่มันแปลกนะ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 อนไ้า์มันลดน้อยถอยลงกว่าคนที่มอความเครียดนี่มันแย่เลยเกินแล้วที่มันน่าสนใจคือว่าไอ้ทัศสกติเนี่ยของคนรานี่มันก็ส่งผลต่อร่างกายในในกรณีอื่นด้วยเมื่อสองสามเดือนก่อนไปอ่านงานวิจัยของของไม้เทลเยวนะคณะสาธารณสุขศาสตร์ไมล์เทลเยลนี่ก็มีชื่อมากก็ทาวิจัยกันอย่างเรียกว่ายืดเยื้อยาวนานหลายปี ยี่สิกว่าปีก็สอบถามคนอายุสี่สิบว่ารู้สึกอย่างไรต่อความแก่แล้วเขาก็ตามสืบเนื่องไปจนกระทั่งคนเหล่านี้อายุหกสิบกว่าหกสิบห้าเจ็ดสิบก็คือยี่สิบห้าปีสามสิบปีต่อมาก็เพร่ะคนที่รู้สึกลบต่อความแก่ในเช่นคนแก่เนี่ยขี้หลงขี้ลืมคนแก่นะ ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยชอบเมอรอยเรียนรู้ช้าเนี่ยก็เพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่รู้สึกบวกต่อความแก่เขารู้ยังไงเขาดูจากไอสมองส่วนที่เรียกว่าคิดโปรแคม us เนี่ยซึ่งมันเป็นสมองเกี่ยวความจําเนี่ยมันฟอมากกว่ามีริ่มเลิศมากกว่าอันนี้เป็นตัวบ่งชี้วของการเป็นอัลไซเมอร์ มันก็หนักคิดนะถ้ารู้สึกลบต่อความแก่นะพอแก่ตัวจริงนะแย่ลงถ้ารู้สึกบวกกับความแก่พอแก่ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างนั้นนะแล้วหัวใจก็เหมือนกันนะไม่ใช่แค่สมองคนที่รู้สึกลบต่อความแก่เนี่ยสามสิบสี่สิบปีให้หลังเนี่ยจะเป็นจะมีโอกาสไปโลกหัวใจสูงกว่าคนที่รู้สึกเฉยเฉยหรือว่าอ่าเป็นบวกกับความแก่นะ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 บางทีไขมันก็กินน้อยนะดูแลไขดูแลอาหารดีควบคุมอาหารดีนะเนื้อหนมไข่กินน้อยกินมังสวิรัตนะเหล้ายาเหล้าบุหรี่ไม่แต่แต่ถ้ามีทสัศกติลบต่อความแก่นะก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงเหมือนกันนะเวลาแก่นะนะเพราะนั้นเนี่ยมันมันชี้อเลยนะว่าคนเราเนี่ยนะมุมมองสำคัญมากนะ แม้แต่สิ่งที่เรามองว่าอมันไม่ดีนะเช่นความเครียดเนี่ยแต่ถ้าเรามองเออความเครียดมันดีนะมีประโยชน์นะมันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตการทํางานของเราที่จริงอยู่ว่าเกิดความเครียดเลยนะแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งเนี่ยคนที่มองว่าเออมะเร็งนี่มันดีนะขอบคุณมะเร็งนะโชคดีที่เป็นมะเร็งนะ คนเหล่านี้ก็จะอยู่กับมะเร็งได้มีความสุขแล้วก็อายุยืนยาวกว่ากว่าคนที่รู้สึกว่ามะเร็งแย่ทําไมถึงต้องเป็นชั้นนะอันนี่มันใชื่อเลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะไม่สําคัญแต่ก็ว่าเรารู้สึกกำบันอย่างไรอันนี้พระเจ้าตัดสอนมานานแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สําคัญแต่ก็ว่าเรารู้สึกกำบันอย่างไร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 คนส่วนใหญ่พอเจอการฉายแสงและเคมีบำบัดในปริมาณหรือโดสทีส่สูงสูงเนี่ยก็จะแพ้มากแพ้หนักนะแพ้จนเกือบจะอยู่ไม่ไหวนะบางคนก็ต้องหยุดไปเลยเพราะไม่งั้นฉันตายดีกว่านะแต่หนในโรงพยาบางคนนี้พอได้รับการฉายแสงและการฉีดเคโมโในโดสสูงสูงตามมาตรฐานนะปรากฏว่าไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่คนก็แปลกใจ ไปถามมาเถอมีอะไรดีเหรอไปทำอะไรมาเธอบอกเธอก็ไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรดีนะไม่ได้มีของดีอะไรเลยก็เพียงแต่ว่าเวลาฉายแสงก็นึกว่ากลาลังได้รับแสงสวรรค์เวลาได้รับเคมีบำบัดเคมีบำบัดก็คิดว่ากลาลังได้รับน้ำทิพตนะ์มองว่าเป็นของดีมองว่าเป็นบวกซะฉันกลาลังได้รับแสงสวรรค์ฉันกลาลังได้รับน้ำทิพมันก็ทำให้ใจเนี่ยยอมรับ ลังสีแล้วก็สารเคมีเหล่านั้นพอจิตใจยอมรับนะร่างกายมันก็ปล่อยยอมรับไปด้วยร่างกายมันก็ไม่ต่อต้านหรือต่อต้านน้อยการแพ้อาการแพ้ก็น้อยลงนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของมุมมองนะมองบวกก็ทำให้สิ่งที่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 ฟุ้งซ่านก็เือนะมีความหมงุดหงิดเกิดขึ้นก็เือมีความเครียดก็เือก็คือรับรู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆนะไม่ต้องบวกก็ได้นะแค่ยอมรับมันด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้มันก็เป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเจออะไรขึ้นมาเนี่ยนะให้ตระหนักว่าสิ่งสํำคัญก็คือว่าใจของเราว่ารู้สึกกับมันอย่างไรท่าทีของเราเป็นอย่างไร นะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหานะเป็นอุปสรรคเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นความเจ็บความป่วยความพัฒภาคสูญเสียนะงานการที่ยากลำบากความวุ่นวาย อ, อย่าง น, น้อยก็รู้สึกเป็นกลางกับมันนะอืมไม่บน่นไม่โวยวายตีโพยตีพายที่มันเกิดขึ้น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 ถ้าเรามีท่าทีแบบนี้มองแบบนี้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะบั่นทอนร่างกายของเราน้อยลงและมันทําให้เราทุกน้อยลงด้วยนะใทนทดลองเดียวกันความเครียดเมื่อเกิดขึ้นนะปฏิบัติธรรมบาง ท, ทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะสบายปลอดโปร่งนะมันก็เครียดนะจะเป็นเพราะอากาศจะเป็นเพราะาเราวางใจไม่ถูกนะมีสิ่งมากระทบเสียงดังอ่าแต่พอตั้งสติได้อ่า ดูมันเฉยๆดูความเครียดอย่าไปคิดว่าฉันเครียดนะให้เห็นความเครียดนะถ้าเราเห็นความเครียดเนี่ยนะไม่เข้าไปในความเครียดเนี่ยนั่นคือว่าเรานะกาลังได้ประโยชน์จากความเครียดนะมันกาลังสอนเรานะมันทำให้เรามีสติมากขึ้นรู้ทันได้ไวขึ้นหรือถ้าหมอเออความเครียดนี้ดีนะ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 เห็นความดีเห็นข้อดีของมันเออมีเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันนะอันนี้แหละนะมันจะทํามันคือสิ่งที่เราทําได้และควรทำเนี่ยการเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็มันควรจะทำให้เรามาเจอตรงนี้ทําทําแบบนี้ได้หรือทําเป็นนิสัยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแบบอหลบหลีกปัญหาหลบหลีกอุปสรรคหลบหลีกความยากลาบากมันหลบหลีกยงไงก็ไม่พ้นหรอกไงก็ต้องเจอ